بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين l ب ه ن س ت ع r وصل الل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เป็นอายะที่อยู่ในสุร่าส่วนหนึงของสุร่าอิสล่าในประเด็นที่ว่ากลุ่มชนก่อนหน้าที่ถูกทาลาย มายความว่าไงล่ะ <c oughs> คือเวลาบรรดานาบีทั้งหลายได้เอาอิสลามมาสอนแก่คุมกลุ่มชนต่างๆเนี่ยหนาบีเหล่านั้นนี่ยก็เป็นเป็นผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะอยู่บ้านใกล้เรืงเคียงกันบรรยากาศเดียวกันแต่มาเมื่อเอาอิสลามมาสอนแล้วเนี่ย ความเป็นศัตรูก็เกิดขึ้นกับกลุ่มชนต่างๆมันน่าคิดนะันั้นวันนี้ก็คือกลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่ถูกทาลายในความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยคบค้าสมาคมกันรู้จักมาคุ้มกันเป็นเครือญาติกันเวลาเอาอิสลามาสอนเนี่ยก็เกิดการต่อต้านนั่นแสดงว่าอะไรครับ อารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันจะเกาะติดกับสิ่งที่ก็เคยเชื่อมาปฏิบัติมาซึ่งเป็นการสืบทอดความคิดความรู้สึกของบรรพบุรุษก็สืบทอดกันมาสืบทอดกันมาสิ่งที่สืบทอดมาก็ไม่ใช่ความถูกต้องเพราะวันที่เขาทุกข์เขาขอต่อต้นไม้วันที่เขาสุขเขาก็ บ, บนบานสารกล่าวฉลองต่อก้อนหินเนี <laughs> ่ยมันไม่ถูกเนะี่ย อเลาก็ส่งนบีมานบีนี่ทํางานเฉพาะกลุ่มอ่าเช่นขุยายามัดถูกทรงมาเป็นนบีก็เนี้แถวเนี่ยสันติชนนบีขุยายามัดวงสันแต่เวลาเราซุ่นถูกทรงมาจะประกาศอิสซาในวงกว้างออกไปแต่ก็ได้รับการต่อต้านทุกที่แหละความจริงเวลาเข้าไปแล้วนะ่ะความเท็จมันจะลุกขึ้นมาต่อต้านความจริง นบีทั้งบอกให้เรานะคําสั่งเนี่ยมีว่ากูลิลักจงพูดแต่ความจริงว่าเราการอามุรอนแม้ความจริงนั้นจะไปที่ข่มขืนใจปานใดก็ตามพูดความจริงคนจะเกลียดช่างมันแต่เราพูดไม่ได้เหยียดหยามพูดเพื่อเป็นการบอกเพื่อเป็นการแนะนําเพื่อบอกถึงวัตถุประสงค์ของคําพูดที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ผิดมาสู่ความถูกต้องใครจะด่าช่างมัน เ้วก็ได้บุญใคาจะว่าเราก็ได้บุญอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ไม่ได้คุณด่าเราแล้วก็มือกุดโออย่างนี้เดือดร้อนพอใครด่าเราผมร่วงเอาไม่ใช่อัลฮัมดุลิลสบาสบานะอ่ะูประเด็นคือกลุ่มชนก่อนหนะ้าที่ถูกทำลายเขาทำอะไรเราก็พยายามจะจับประเด็นไว้ อ, อ่านกุรอานยาแรกก่อน وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا م ر ر ر ْ ر ف ي ه ا ففسقو فيها فحق عليها القول فدمر فدمرنا تدميرا لأمر เราเมื่อเราปรารถนาเราก็คืออะไรเราคืออัลล เราคืออัลลอฮ์เราเนี่ยที่จริงถ้าถ้าถ้าฉันนี่คนเดียวถ้าเราเนี่ยก็คือหลายคนแต่นะอัลลอฮ์ใช้คําว่าเราเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ก็บอกว่าไว้าวาด้าอรอดนาอนันลูกนิกากรยิยาตันเมื่อเราเราคืออัลลอฮ์ต้องการที่จะทํำลาย กเติยาหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดที่เขาทอยอศต่อร้องหรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขาทยอยต่อร้องสุมาตราถ้าเราจะทําลายมันมีสิ่งบ่อเหตุที่แฝงอยู่ในหมู่บ้านหรือกลุ่มชนต่างๆเหล่านั้นเราสังเกตดูนะหมู่บ้านเราเนี่ยโหติดยาเสพติดรักขโมย ทำลายร่างกายเป็นสิ่งบอเคศว่าต่อไปออไรจะทำลายเราจะทำอย่างไรเราเรานิ่งเฉยไหมเราต้องไม่นิ่งเฉยเราต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจที่มีอยู่ถ้าเรามีอำนาจจัด ก, การด้วยอำนาจหรือเราไม่เราไม่มีอำนาจที่จะจัด ก, การด้วยอำนาจพวกเราเราจะจับใครไหมที่มีอำนาจที่จะจัด ก, การเร า, เราต้องทำหน้านี้นะอย่าปล่อยเฉย ไม่ได้ถ้าเรามีความรู้ก็ตนจัดการเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นด้วยความรู้โดยการบอกอย่าไปดา่าด่ามันไม่รับหรอกมันจะทวีความความเป็นศัตรูมากขึ้นก็พูดดีๆทาหน้าที่ไม่เชื่อก็เดี๋องมึงนะไม่เชื่อเรื่องของเขาแล้วเราทําหน้าที่ไงนะ เราบอกเมื่อเราเราเื่อน ล, ล้อเราใช่ไหมเราเนี่ยื่อน ล, ล้อเดี๋ยวเราไม่ใช่หลายคนประสงค์ที่จะทําลายนะประสงค์ที่จะทําลายหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดก็เลยะเขาเรี ย, ยกก็เลยะอะไรนะก็เลยะที่จอรีมะหมู่บ้านที่จอเลี่ยมจอเลี่ยมคืออะไรคือหมู่บ้านที่มีชีวิตขัดแย้งกับคําสั่งของอัล ล, ลอฮฺเลอละซูล แสดงเอาล้อทํำลายแน่อารมณ์เร า, ร เ, ร เ, ราเราได้บัญชาให้พวกฟุ่มเฟือยของมันก็แสดงว่าความฟุ่มเฟือยนี่เป็นไรเป็นอันตรายฟุ่มเฟือยจากการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยจากการใช้คําพูด ฟุ่มเฟือยต่การใช้อำ น, นาจที่กดขี่ข่มเหงเนี่ยเป็นไะไเป็นตัวอันตรายนะอามัดนะมุตรอฟีฮาเราได้บัญชาให้พวกฟุ่มเฟือยของมันมุตรฟีฮาผู้ฟุ่งเฟือยคืออะไรล่ะคืออิสติดดารืออิจรอมิหิมมันทำบาปเยอะนะ ให้เข้ามาจัด ก, การฝ่ฟาสกูฟีฮาภูเขานั้ันก็ได้ยฝ่าฝืนฝ่ฟาฝืนคือละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ละเมิดกฎเกณฑ์ของความดีที่อัลลอฮ์บัญญัติมาหรือฝาฟาสกูก็แปลอีกอย่างหนึง่งภาษาเราก็แปลว่าขอรอยุมินตออตินละขรายุแปลออกจากการตออตอลอสลา เพื่อเราบอกนี้แทนที่เราจะเชื่อฟังเราก็ไม่เชื่อฟังคือออกนอกคําสั่งของลอสซาลาฝ่าฟืนนะไว้ร้องสั่งให้ทําให้ต่อตอตออลล์และทําความดีพวเขาก็ทรยศแล้วก็ทําความชั่วงั้นความชั่วของคนที่จะทำเน่ยมันก็มีหลายระดับชื่วของมมลูความชื่อของผู้ปกครองก็มี ความชั่วของผู้นําก็มีความชั่วของคนรวยก็มีใช้อำนาจของความรวยเพื่ออยู่กับความชั่วร้ายต่างๆรวยแลยตั้งบนอ่ารวยเลยค่ายาเสพติดด้วยรวยนะคุณค่ายาเสพติดนะรวยไม่ใช่มีรวยแต่ว่าละเมิดคําสังลล่งของลอธทําไมระยะเสพติดถึงเป็นบาปเพราะถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะทําลายความคิดสติปัญญาของเรา มุสลิมต้องอยู่กับความคิดและสติปัญญาที่ถูกต้องตามที่อลัลลอฮฺและละซูลบอกจะใช้ความคิดสติปัญญาโดยตามอารมณ์เลยขอบเขตข อ, อลัลลอฮ์ก็ไม่ได้นะเลยขอบเขตอลัลลอ์ไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเกณฑ์ของมนุษย์นั้นนะ่ะมีขอบเขตความคิดแค่ไหนถ้าค้นจากคำสั่งของอลัลลอ์อะไรจะมาสั่งการชีวิตเราอารมณ์ อารมณ์จะสั่งการชีวิตเราถ้าเราไม่เอาคําสั่งของอัลลอฮฺเป็นตัวตั้งสำหรับการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตอารมณ์มันจะมาอยากจะทําความชั่วกระบอกเราบอกอย่าไปทานะมันบาปมันเป็นเสรีภาพที่มนุษย์จะทําได้อะทาไมอะจะปิดการเสรีภาพของคนได้ยังไงล่ะเราเป็นประชาธิปไตย เนี่ยคนไทยบางกลุ่มประชาธิปไตยจนกระทั่งเป็นประชาธิปไตยเร่นการพนันข อ, ขอบขอบถนนเฮ้ยประชาธิปไตยเว้ยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินจะทำอะไรก็ได้แหลกเหลวเนี่ยวันนี้ลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกปูข่มขืนหลานใช่ไหมเนี่ระบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เอาความคิดอิสลามเป็นตัวตั้ง ความที่สลามคืออะไรถ้าลูกอิดาบั้นเราก็อาชราซินินเวลาลูกหรือหลานอายุสิบปีเนี่ยฟอบรีบัวอะไรฮะไอ้ลงโทษเขาเมื่อเขาทำความผิดและให้แยกที่นอนแยกเลยเอาหลานสาวนอนแยกไอ้นี่ปูกับหลานอยู่ด้วยกันหลานเริ่มโตปูคิดมากยายใช้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมาแล้ว ความที่ใช้ตอนครอบงําแล้วถ้าเราตัดไฟแต่ต้นลงเราแยกหลานออกเป็นห้องต่างหากจัดไว้ห้ามนอนรวมกับพ่อกับแม่ห้ามเลานรื่องกับพันปั้นผู้ดูเด๋อนนี้ไม่ได้แล้วนะนอนกับโต๊ะดีไมีดีโต๊ะขมขืนหลานนอนก็ปู่ปู่ข่มขืนหลานเอา้าแม่พูดมากเอยฟันนะฟันหน้าแม่ฟันอู้ฮูเดือวนี้นัอุซุบิรนดร์ละของเราไม่มี คือพ่อแม่บนเรารับฟังถ้ารับผิดเราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าพ่อแม่ได้ข้อมอูลมาผิดเราก็อธิบายเขาฟังอย่าเถียงดิเถียงไปดาไป่าไปเถียงไปใช่ตอนข้าวพอใช่ตอนข้าวเอาแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่แล้วลูกฆ่าแม่อย่างนี้เป็นต้นนะก็ถอยหลังนิดนึงก็เมื่ออัลลอฮประสงค์ที่จะ ทำลายหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดหรือกำปุงหนึ่งกำปุงใดนะอัลละ์ก็จะมีคำสั่งให้เรานั้นต่ออัต่อโลด้วยการทำความดีแล้วก็ให้งดความฟุ่งเฟือย <c oughs> ให้รังรักการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลละ์ เราจะอยู่กับคำสั่งอัลลอฮ์แบบไหนจำไว้เลยนะสมัมเมะนาหะอาตอตนาได้ยินแล้วและปฏิบัติตามสมัมเมะนาเราได้ยินแล้วหะอะตอนาและเราจะต อ, อเชื่อฟังปฏิบัติตามฝาฮับก็อะไรฮัลเกาลูกการลงโทษมันก็สมควรแก่เขาแล้วที่เขาทุยยศตออัลลอะ์ เวลาเขาโทษว่าตอรอการลงโทษก็สมควรแก่มันแล้วแต่เขาแล้วที่เขาโทษต่าตอรออันเก้าลูกคืออะไรอันอาดาบอันเก้าลูจริงๆแล้วแปลว่าคําพูดแต่มีความหมายว่าเป็นการลงโทษบินอาดาบอันเก้าลูกบนินอาดาบอัลลอฮ์ลงโทษฟาดมรณะตทดมีรออัลลอฮ์บอกเราได้ทําลายฉะนั้นเราได้ทําลายพวกเขาอย่างพินา ทำลายให้กับพบกับความพินาศดีไหมล่ะดีสิถ้าอัลลอฮฺได้ทำลายเราก็จะได้สัมผัสความเป็นรูปธรรมของการธุรยศต่อลลอเนะี่ยอัลลอฮฺทำลายเรานะถ้ารล้อปล่อยไว้เราก็ไม่เกิดความสำนึกว่าเราทำความผิดอัลลอก็กระตุกด้วยการลงโทษด้วยการทำลายเราจะได้เป็นคนดีไงงั้นไม่ดีคืออะไรฝ่าฝืนคาสั่งของอัลลอ ไม่ดีคืออะไรคือคนที่มีความฟุ่มเฟือยไม่ดีคืออะไรคือคนตี่เนคนฟาสิคฟาซิกคืออะไรขุรุษอันต อ, อัตินแล้วละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ขุรุษแปลว่าออกออกจากการเชื่อฟังของอัลลอ์ก็คือไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วคนเราไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็เชื่ออะไรเชื่ออารมณ์อารมณ์เป็นบงการชีวิต อารมณ์บริสุทธิ์มีไหมเพราะไม่เชื่ออัลลอฮ์อารมณ์ไม่บริสุทธิ์แล้วอารมณ์ที่ผสมกับการรุกของชัยตอนชัยตอนมาจากคำาชาตอนาชาตอนาบิมะนาบาอูดาบาอูดาแปลว่าห่างไกลถ้าเชื่อชัยตอนเมื่อไหร่เราจะห่างไกลจากคําสั่งของอัลลอฮ์และห่างมากห่างมากจนกระทั่งว่าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์งั้นเรามีชัยตอนรอบข้างชัยตอนตัวจริงชัยตอนของความเป็นเพื่อน สายตอนของสภาพแวดล้อมส่ยตอนของความเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่รอบข้างเรานั้นเราจะตามใจเพื่อนต้องมีข้อจำกัดในใจว่าเพื่อนเอามาบอกอถูกหรือผิดถ้าผิดไม่ทำตามนะถ่ายยุยงส่งเสริมให้ทำความชั่อเราก็ไม่ทำตามเราจะรู้ยังไงว่าเพื่อนดีได้ไม่ดีก็ต้องรู้อีกสามก่อน อิสลามที่เรารู้จะได้เป็นมาตรฐานวัดได้ว่าคําเชิญชวนนี่ถูกหรือผิดนี่นี่คืองั้นเราต้องอะไรคนระัเราต้องเลือกคบคนที่เป็นคนดีคนไม่ดีเราก็คบได้แต่มีใจมุ่งวัดพยายามจะเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นคนดีไม่เชิดเขอยตามเขาสิ่งที่ต้องคอยตามคืออะไรอลัลลอฮ์บอกยังไงทําแบบนั้นระซูนบอกยังไงทําแบบนั้นคลอยตามสิ่งที่ อ, ลอัลลอฮ์ละซูนบอก คอยตามคนซอนและที่เอาอิสลามาบอกเรานี่คือการรู้จักดูแลตัวเองึยิ่งใจเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันจะว่าแล้วไม่นึกว่าอัลลอฮฺจะลงโทษเนะแล้วไม่นึกว่าเมริกัดจะบันทึกความชั่วเรานะนึกไหมล่ะถ้าเราไม่นึกกันละโดนผมเคยบอกกับมีโนกแล้วนะวเวลาทําความดีปุ๊บมริกับันทึกเลยวเวลาทาความชั่วเมริกัด ทางซ้ายก็จะบันทึกความชั่วแต่ถูกไมเลกาททางขวาที่บันทึกความดีขอไปวิงเวลาไปถึงสิตุสะอาดหกชั่วโมงอยเพิ่งเลยรออีกหกชั่วโมงให้เขาได้กลับตัวได้เตาบ้านต้นต่อนแล้วนะถ้งหกชั่วโมงไม่กลับตัวก็และบันทึกแล้วคนดาวน่ะยืดได้แค่อย่าเลยหกชั่วโมงถ้าผิดรู้สึกตัวเตาบ้านเลยซาฟิลโลว่าตูบุยไร อิสติกฟาคือขอเรายกโทษวาตูบุรลายคือขอกลับมาสู่ความถูกต้องที่อัลลอ์บอกนี่คือการคุมตัวเองอังท่าถ้าดื้อดึงฝ่าฝืนฟุ่มเฟือยฟาซิกการลงโทษจากอัลลอฮ์สมควรแก่เขาแล้วฝ่าดัมารนาอตเดมีรอฉะนั้นเราคืออัลลอ์ได้ทำลายกลุ่มชนเหล่านั้นอย่างพี่นาเย้ยยับ บางทีไม่ทําลายด้วยบ้านพังแต่ทําลายเขาให้เขาอะไรอยู่ในทางมืดบอดจนกระทั่งว่าอิสลามมาเข้าไม่ได้ความมืดบอดความด้านมันอยู่เหนือกว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ดีของเราจำไว้จำไว้ตัวเรารู้ตัวเราดีที่สุดใครมาว่าเราเนะี่ยไม่รู้ถึงแก่นแท้ของเรา แ, แต่เราว่าเราเนะี่ยเรารู้ว่าตัวเราคิดยังไง ต่อไปวะกรรมอนักนามีนักกูรูนมิบาดีนู้หินวะกฟ้าบิร บ, บิกบิดุนูบีอิบารีอิขอบีรอมบสซีรอเอาแปลและกี่ศตวรรษกุรู้นี่ือร้อยปีหนึ่งกูรูนต้าแต่รอย ป, ยยปีและกี่ศตวรรษแล้วหลังจากนูวที่เราได้ทำลาย และพอเพียงกับพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงรอบรู้ทรงเห็นความผิดของกวงบ่าวของพระองค์การแปลอกซีรอนคือคนส่วนหนึ่งจํานวนมากคนจํานวนมากเนี่ยอานะลักษนาเราบอกเราได้ทําลายเขาคือลงโทษเขาทําลายเขาคนอ่ะเวลาถูลงโทษจะได้คิดได้ ลูกถ e ูกลงโทษจะได้คิดว่าลูกผิดอะไรต้องต้องบอกลูกฮแต่นี่ความผิดของเขาที่ที่ถูกลงโทษตั้งแต่สมัยดับีนว่มาเลยตั้งนบีต่างๆทุกนบีแหละอาลักนาเนี่ยเพราะอะไรลีกุฟรีฮิมอันรูซุลเพราะเขาต่อต้านบรรดารอซูลต่างๆที่มาบอกอิสลามแก่เขาว่าจากซี และกล่าวหาว่าเราซูนที่เอามาบอกนั้นความนั้นสิ่งที่เขาบอกเป็นสิ่งที่ไม่จริงตัดสิทบอกว่าโกหกอะไรระเบียนผู้ดูกล่าวว่าต่อรูปปั้นแล้วจะมาสอนว่าไม่ให้กล่าวว่าต่อรูปปั้นทั้งทั้ที่บรรพุรุษของฉันนั้นแหะกล่าวว่ามาตั้งนาน <aş ๆ S 1> ใช่ไหมนายบีทุกนายบีก็มาบอกว่าให้ ทีมาตอลอดพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่ท่องทรงสร้างทุกอย่างหัวเรืองที่เละก่อนละกุมมาฟิลอาติจะมีสร้างทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์ได้เอาประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์สร้างไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นอะไรเป็นเจว็ตที่เราต้องสยุดบูชากราบไหว้ไม่ใช่ไอ้รูปเคารพต่างๆที่มนุษย์ทําขึ้นต้องชมมันชมยังไงแดดร้อนมันก็นไม่หนีแดดกันหนกตากแดดอยู่นั่นนั้น น้ำท่วมมันก็หนีน้ำกับมุดน้ำอยู่อย่างนั้นแหละไม่กลัวขี่ไครไม่กลัวตะกอนก็มันเป็นหินแต่นี้เพื่อจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของมนุษย์ก็ไปสร้างสูงบนยอดเขาก็เป็นก้อนหินที่สลักมาเป็นรูปคนถ้าวันนั้นสลักเป็นรูปแมวก็เป็นแมวเราลงใครเก่งกว่าก้อนหินมนุษย์เก่งกว่า อันนี่พอความมืดบอดมันเกิดขึ้นในใจแล้วอะไรก็ได้ไงอะไรก็ได้งั้นมันต้องไปหาไกลๆหรอโหลาทุกกราบเมียมันก็หมดเรื่องไปต้องนังรถไ ป, ไปนู่นไปนี่ฮ้สวัสดีกราบเมียหมดเรื่องหมดดาวนี่ไปนี่ไงอัลลอฮ์ยกระดับความคิดของคนที่เป็นมุสลิมย้ำอีกนิดหนึ่งวันนี้ไม่ต้องมีตะ ก, กุด มางคนแขวะตะกุดกันอะไรรถมอเตอร์ไซค์ลมไม่เป็นอะไรนะถ้าไม่มีตะกุดนี่กูตายตกบุตตัดความดีที่ทำมาหมดเลยต้องเข้าเกลี่ยมอใหม่เราลงตะกุดศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์รอบกูนะอัลลบฮกุมอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของท่านอัลทำดุรินแล้วรอบมิลลัยแลมีอัลลอฮ์เป็นเจ้า ที่ดูแลโลกทั้งของโลกของมนุษย์โลกของสัตว์โลกของสิ่งแวดล้อมอันนี้ม่อนแข่งด้อมทิงด้อมโลกของอัลลอฮ์ทั้งนั้นและสั่งด้วยอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้กินต้องเชื่อดแบบนี้ไอ้ต้องเป็นแบบสั่งทมดรายละเอียดหมูหมากินไม่ได้กาก็กินไม่ได้ไก่ได้ไก่ตายก็กินไม่ได้ต้องเชื่อดเชื่อดแบบทรมานก็เลือดจะเป็นพิษเพราะสารมันจะหลังสารพิษนี่จะความเจ็บปวด นะเราใช้มีดติดคมที่สุดปาดปึ๊บไม่รู้เออลารอทําลายทำลายพ่อรา ย, รายพ่อหนึ่งดือ้อต่ออลัลลอฮ์สองไม่เชื่อเราซุ่นมีนังกูรุนกูรุนคืออัลอุมัมอุมมะต่างๆนะอุมมะเไปไน็นไงอัลกาฟิรอ์อรัลซาบิกะ อ, อุมมะที่เป็นกาเฟทที่ทธอยศต่ออลัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์อัลซาบิกอที่มีมาก่อนหน้านี้ เราจึงจะเห็นกลุ่มชนที่ทรยศต่อลกอกอหน้านี้แล้วที่อลัลลอฮ์ทาลายอาลัลลอฮ์ทาลายอาลัลลอฮ์ทาลายมีบ้านในนุหินหลังจากน บ, บีนุ่นคือน บ, บีนุ่น่ะประกาศอิสลามเมื่อเกือบปีเก้าอห้าสิบปีคนไม่อิมานแล้วก็อลัลลอฮ์ก็ทําลายคนไม่อีมานน บ, บีนว่นถูกโยนเข้ากองไฟ กษัตริย์นำรุพดพะมดาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองเดียวกษัตริย์ไม่ใช่ผู้ยิงใหญ่เป็นมนุษย์ที่ได้รับตำแหน่งดีหรือไม่ดีก็ยังไม่รู้อัลลอฮ์พให้ไฟเย็นนบีนุก็ได้รับความปลอดภัยนะเนี่ยอัลลอ์รักษางั้นทำลายคนอะไรล่ะหลัาจานงเช่นพวกอาดพวกนี้ป่วยพวกแข็งแรงไม่เคยป่วยพวกนี้พวกเจาะภูเขาอยู่ไม่เคยป่วย พอไม่เคยป่วยก็ไม่เคยนึกถึงความตายไอ้เราเนี่ป่วยเราทำดูลรนแล้วพอป่วยก็ทําให้เรานึกถึงความตายไอ้เราเนี่ผิดอะไรจะเดี๋ยวตาว่า ต, ตัวนี่ตอรอเราละเมิดสิทธิ์ใครนอนป่วยตัวร้อนจะเป็นโรคสมัยใหม่ก็ได้ใช่ไห ม, ไมผิดของใครเนี่ยละเมิอใครนึก่ะนึกป่วยเนี่ยไอ้นั่นแข็งแรงไม่ป่วย ไม่เคยป่วยพวสมูทพวกอะไรละ่ะ้าทายในมีซซอนแหละเวลามาประกาศอิสลามงั้นเป็นบทสรุปที่ทำให้เราเข้าใจว่าเวลาอิสลามไปถึงไหนคนจะต่อต้านแต่เรามีอิสลามต้องเข้มแข็งและเอาอิสลามปฏิบัติถ้าบอกได้บอกบอกไม่ได้ก็บอกแต่ด้วยถ้อยคาที่สุภาพหรือปฏิบัติอิสลามให้เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นไม่ได้ออวเช่นคุมิยา เขาทําผมเป็นหลากสีหนึ่งเหมือนกับคนบ้าแล้วก็ปิดผมคืนนั่นผมดูทีวีมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมีสตังเยอะอะไรคือความสุขที่สุดมาสัมภาษณ์แบบไม่อายกันเลยนะมันบอกเซ็ก ค, คือความสุขที่สุดใครก็ได้ที่มาเกี่ยวข้องกับฉันแล้วถูกใจเอาไปเลยกี่แสนกี่ล้านก็ได้ว่าเอา้าแล้วมันไม่หยาบไม่ใช่ เรามีเสรีภาพที่จะดูแลชีวิตเราแบบที่เราต้องการเราปฏิบัติอารมณ์ต้องการได้ไหมต้องอารมณ์ที่มุตไมอินนะที่เกาะติดกับคําสั่งของลอร์อารมณ์ชั่วที่ใช้ตอนมายัดใส่มายัดใส่เนี่ยไม่เอาไม่พอใจอยากจะดา่าเราไม่ดา่าขออนุญาตอนลอร์ขอลขอร์ยามุคอนลิบันคุณรู้โอ้ผู้พี่หัวใจโปรดให้หัวใจเขาแนบแน่นอยู่กับศาสนาขอลอร์ขอดุอาให้ ใครไม่ได้วินช่างมันอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ได้ยินไม่เลิกการบันทึก ง, งานการแก้ปัญหาของเราไม่ใช่ด้วยการดา่าแต่ด้วยการแนะนําและให้กําลังใจถ้าด่ามันจะต่อต้านถ้าทำร้ายมันจะต่อต้านนี่นี่นี่คือวิถีของออิสลามนี่เราทําหน้าที่จะได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่ว่าถ้าเขาต้องการอัลลอฮ์ก็ฮิดายะให้ถ้าเขาไม่ต้องการอิสลามอัลลอฮ์ก็ไม่ฮิดายะให้ อ, อยู่ที่ตัวเขาเขารับผิดชอบอ่าพวกฟิรูนใช่ไหมต่อสู้กันนบอะีมูซาแล้วเอเลาก็ได้ทําลายฟิรูนเอาไสายศาสตร์มาเอางูมาโยนควา่างไม่ท่าไปเป็นงูสารพัดแต่เป็นไสยศาสตร์เนี่ยแต่พออะลีมูซาควา่าไม่เท่าไปกินงูไสยศาสตร์หมดเลยของจริงกับของปลอมเนี่ย อัลลอฮ์ได้ทำลายคนที่ทรยศต่อเราให้เราได้เห็นได้เข้าใจได้รู้จากหน้าประวัติศาสตร์จากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังแล้วมีใครบ้างที่ทรยศต่อเราแล้วลรุ่งเรืองเจริญถ้ารุ่งเรืองเจริญรวยด้วยการทรยศต่อเราอย่าภูมิใจนะเพราะทรัพย์ที่กินไปเป็นของฮะรอมอัลลอฮ์ไม่รับความดีไปทําบุญก็ไม่ได้รับความดีและวันหนึ่งเหนื้ออัลลอฮ์ทำลายตัวเราแล้ว เราไม่สอนสั่งสั่งให้กับลูกหลานลูกห ล, า น, ล, กลานก็เป็นแบบที่เราเป็นเรียนแบบมนุษย์จะมีนิสัยเรียนแบบปู่ย่าตายายไม่ดีก็เรียนแบบคิดว่าสิ่งนั้นคือดีเพราะปู่รวยบางคนบอกเอ้าทำอย่งงางนั้นผิดย่อยังทํามาเลยก็ย่อทําผิดอย่าไปตามแต่ย่อรวยนะ <c oughs> มันคนลประเด็นเอาความรวยของย่อเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาความถูกความผิดเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งไม่ดีเลยไม่ได้รวยนะ ซาบาก็ไม่ได้รวยนบีก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รวยแต่เขาร่ำรวยอิสลามที่อัลลอ์ให้เข้ามาปฏิบัติและการมาใช้งั้นเราสบายตามอัลกุรอานเป็นคำสั่งเดียวที่อัลลอฮ์บอกหลายคำสั่งไม่เอาแล้วอัลลอ์ก็แยกให้ชัดว่าฮาราฮฮารอมอันนี้ฮาราฮทำได้อันนี้ฮารอมทำไม่ได้มันเป็นมาตรการที่อัลลอฮ์บอกนบีให้นบีมาบอกแกพวกเรา นี่นี่คือสังหารโลกจะตายด้วยคำสังหารโลกขาดทุนดีนิล้ถขาตายด้วยการตรงยึต่อโลกํำไรนะนนเนี่ยขาดทุนขาดทุนแล้วไม่ได้ตัวบ้าตนตดอแล้วเร็บอ่ะเาทำลายหมดอินเทอรี็กล่าวว่าเป็นการ การตักเตือนต่างๆเหล่านี้ด้วยประวัติศาสตร์ด้วยคําสั่งต่างๆเหล่านี้อินลุกซีกล่าวว่าเป็นการเตือนของเป็นการเตือนพวกกูฟ้ากูริสติทรอยต่อเราเอาอาดีตมาเตือนปัจจุบันเอาปัจจุบันและอดีตมาเป็นคําเตือนอนาคตของเรามีทั้งหมดของเรามีทั้งหมดที่อลัลลอฮฺบอกฮนะ วากาฟ่าเบร็อบบีกาบีซูนูบีอีบาดิฮีคาบีรอมบัซีรอและพอเพียงกับพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงรอบรู้อลัลลอฮ์คาร์บีรอบรู้บอซีรอและทรงเห็นความผิดของกวงบาของพระองค์อลัลลอฮ์เห็นอลัลลอฮ์รู้อลัลลอฮ์เห็นและให้มนุษย์มาทำหน้าที่ทำหน้าที่เฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มคือ น, นบี๋ทำหน้าที่กว้างกวางออกไปคือมาดารอซุน น บ, บีก็อะไรเอาภาษาของกลุ่มชนนั้นมาบอกน บ, บียูซุปเอาภาษาของกลุ่มชนนั้นมาบอกนต บ, บียูนุสเอาภาษาของกลุ่มชนนั่นมาบอกก็ทาความเข้าใจ มันนูรีดุซุมจันน่าเลวุจันน่าไสละมดมูรอมมัดมูมัมมาเดโฮร์ผู้ได้ปรารถนาชีวิตชั่วคราวคือเฉพาะในโลกนี้เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมันต้องการใช่ไหมอ๋อเร่งให้เขาได้รับมันตามที่เราประสงค์แก่ผู้ที่เราปรารถนาแล้วเราได้เตรียมนรกไว้สำหรับเขา เขาจะเข้าไปอยู่อย่างถูกเหยียดยามและถูกขับใสอาอดูมังกรยูรีโดนอ า, อาจิละบุคคลใดก็ตามที่อะไรครับที่ต้องการชีวิตชัว่วคราวในโลกนี้ ชีวิตชั่วคราวในโลกนี้เป็นชีวิตแบบไหนชีวิตดนยาเป็นแบบไหนอ้ยามาลตุนยาวาดฮาคืออยู่ในโลกดนยาโดยเอาดนยาเป็นตัวตั้งแต่อย่างเดียวไม่ใช่ดนยาเพื่ออะครคิลทุกวันนี้เราอยู่เนเอาดนยาเพื่ออะครคิไม่ใช่เอาดนยาเพื่อดุนยาไม่ใช่ตอนนี้มีดนยาอะไร ตุนยาของความรู้เพื่ออาคิร์ลก็บอกกล่าวตักเตือนแนะนําแต่ต้องรู้จักวาระของการให้ข้อคิดด้วยแบบอิสลามคืออย่าไปดูถูกเหกีดยดติยำอย่าไปดูถูกเหกีดยดติยำเพราะมันมีความจริงว่าแรงตกมันจะเท่ากับแรงสะท้อนถ้าตกแรงสะท้อนแรงถ้าเตือนรุนแรงมันก็จะต่อต้านอย่างรุนแรง งั้นเตือนกันบอกกันด้วยถ่อยคาที่สุภาพอาจจะได้ด้วยการการะทําที่เขาเห็นอาจจะเป็นเรื่องเล่าจริงๆเนี่ยให้เขาได้คิดมันจะบอกอุย้ยทําแบบคุณเนี่ยต้อนลูกเดี๋ยวก็ต่อยกันไม่ทันคุยต่อแล้วมึงดียังไงวะกู ด, ดียังไงวะพ่อแม่มึงกูกเอาแล้วข่าพ่อข่าแม่เอา้ามึงว่าพ่อกูนะเเดี๋ยวก็ต่อยกันแล้วคืออะไรคุยกันดีๆ นะคื อ, อไทําำอะไ้เพื่อดุลยาอย่างเดียวไม่ใช่ในความคิดของเราความตืดด่นเ ร, ร, ราอดุนยามัทราตุนาเคโรดุนยาที่เราอยู่นี่ต้องเป็นแหล่งสังสมความดีเพื่ออาเคโรไม่ใช่ดุลยาเพื่อดุลยาแต่ต้องดุลยาเพื่ออาคิเคโรดุนยาเพื่อดุลย์าเก่าสิปีร้อสิปีตายแล้วไปถึงร้อยก็ตายแต่เพื่ออาคเคโร อาบัดันอาบดดาตลอดกาลไม่มีวันสําหรับเราเหมือนดอุนยาแล้ววันนี้มีวันสองวันวันดุนยาแปดสิบปีจ็สิบว่าไปแต่อัคคีรอเป็นวันที่ยาวนานที่ไม่มีวันใดอีกแล้วหลังจากอัคคีรอเพราะอัดุนยาดารุนอามันดุนยาเป็นโลกของการปฏิบัติว um ันอัคคีรอตุดารุนยซาอัคคีรอเป็นดารุนยซาโลกแห่งการตอบแทนเนี่ยวันนี้อามันมากๆโดุนยา เพื่อไปรับการตอบแทนในวันอาเคโรวันนี้เรามีร้อยบาทสมมุติแต่เราสามารถจะอิ่มจากเงินร้อยบาทที่เรามีอยู่แค่ยี่สิบบาทอีกแปดสิบาทดูแลคนที่ด้อยกว่าเราเป็นโอกาสเนี่เป็นโอกาสงนาสงนทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่จะเป็นตัวกำหนดเกียรติยศแต่ตัวกาหนดเกียรติยศนะอัลลอ์คืออะไรตักวาลตักวาคืออะไร ทำตามที่อัลลอฮฺไดอาระซุมสั่งสบายเราไม่ต้องคิดเองอัลลอฮฺสั่งอย่างนี้ทําทําไม่ถูกระซุมอธิบายอัลลอฮฺสั่งแบบนี้ทํำทําไม่ถูกระซุมอธิบายและอะไรที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮฺที่เราทําไม่ได้นอกจากเรารู้แล้วเราไม่ทําเพราะเราอวนดีเราคิดว่าไม่ตายเราคิดว่าไม่ตายไม่จําเป็นเราที่คนตายจะต้องอายุเยอะ เด็กๆ ก, ก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้เกินจะแก่ก็ตายได้เนียเกินแก่ ง, งัาเงยตายใช่หมงั้นอลัลลอจะให้เราประสบ ก, กับอะไรปึ๊บเราได้คิดเลยอย่าอัลลอ์ขอให้เราหายเถอะหมมุ่งสู่อลัลลอฮ์และอลัลลอฮ์มัชวินีดุอามาแล้วอัลลอฮ์มัชวินีอัลลอฮ์มัชวินีอ้าวเวลาโรคระบาดมันมากันเราก็อ่านดูอาต่ออบิสมิลลาฮิลลายุดุรม่าอัิฮิชาอุมฟิลอดิวลาฟิซามะ อางูทีกิลีมาติรตามามีคใช้ตอนนี้มาวมีคนอันละขอที่อัลลอ์เราใช้ชีวิตตามที่อัลลอ์สั่งแล้วหลังจากนั้นถ้าจะเป็นอัลล์มัชวินีขอร่อยหายอัลลอฮ์ไม่หาอัลละฮ์จใหาตายตายไปโดยมีความดีกัอะไรกลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกกลับไปหาอออย่ากลับไปหาหมอดูหมอดูมันหลอกรู้ได้ยังไง พอรอบบอกว่าวามาตเดดีนับซุนมาตาตัศิบกัดดันไม่มีชีวิตใดจะรู้ว่าพวกนี้จะเป็นยังไงวามาตเดดีนับซุนบียไออาดินตะมตูตและไม่มีชีวิตใดจะรู้ว่าเราจะตายที่ไหนเมื่ อ, อไรไม่รู้แข็งแรงก็ตายได้อ้ยเขมแข็งเป็นนักกล้าเอาตายได้ไอนี่แข็งแรงด้วยไหมไม่ตายยังเดินได้ ไปไหนก็พาไม้ไปด้วยนี่ฟังศาสนาัมดูเลยละนะงั้นเขาเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่บาปไม่ใช่บาปไม่ใช่ตาบาปที่เขาต้องเป็นแต่เอเราให้เป็นเราก็เห็นอ่านทำดูเลยแล้วของเราอย่างนะยืนละมาได้สบายเขายืนละมาต้องอะไรเอาไม้พิงฝาเอากายาพิงกำแพงใช่กายาคือกายเขาละมา เนี่ยพตายหมดแล้ว <c oughs> ไปกินก็ไม่ได้อจ้าวิเศวัสสิยะเอากระดูไปต้มกินก็ไม่ได้ไม่ใช่สิทธิของเราแล้วเนี yeah. ่ยอินนานิ่แล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของลอเราเป็นกรรมสิทธิ์ของลอใจก็เป็นกรรมสิทธิ์ของลอตาก็เป็นกรรมสิทธิ์ของลอปากก็เป็นกรรมสิทธิ์ของลร่างกายทุกส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ของลอมอบ ก, กับอัลลอฮ์โดยการใช้ชีวิตตามที่อัลลอส์สั่งไม่เหนื่อยด้วย ตอนที่เราสั่งเราไม่เหนือ่อยเลยใครทำผิดเราเตือนพอแล้วเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราทำหน้าที่แล้วแค่นั้นเองอย่าไปได้บี้เขาเขาก็เกียดเราเอกทีหลังไม่ฟังแล้วอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ที่ถูกปไปแบบนี้นะจบเขายังฟังมีรู้เรื่องเขาก็ปล่อยคนอื่นเตือนต่อไปเขาไม่เอาเรื่องของเขา้าพูดบ้าๆเรื่องของมึง บอกแล้วมมไม่เอาเรื่องมึงเรื่องกูคูบอกเรื่องมึงแมวตามใจมึงเขารีก้กาาว่าพูดหยาบ ม, มียามภาษาโบราณ่าต่อไปเราได้เตรียมนรกไว้สาหรับเขาและเขาจะเข้าไปอยู่อย่างถูกเหยียดหยามถูกขับใสไล่สม ไปไหนก็ไม่ได้แบนรกมันมืดนรกมันมืดความลึกของนรกน่ะเคยฟังว่าถ้าเอาก้อนหินโยนจากบากนารกลงไปเนะี่ยเจสิปีกว่าจะถึงก้นหลุมตึ้งในคนรู้มืดแล้วจะมีสะพานทอดระหว่างนารกกับสว่าง อะไรที่เป็นข้อขัดแย้งมาอัพได้ให้มาอัพเป็นไปเราขอมาอัพแล้วเรากยกถ้าอย่างั้นต้องรอเคลียร์บนตะพานแต่เราจะเข้าสวรรค์ดูแลต้องรอเคลียร์คนนี้อีกอรอเขาว่าเราเอาบุญมาให้เราอัลฮัมดุลิลลาห์เขาด่าเราเอาบุญมาให้เราอัลฮัมดุลิลลาห์เราดูถูกรานิทานเอาบุญมาให้เราอัลฮัมดุลิลลาห์ได้เยอะเลยบ <c oughs> อที่เรานอนดับไปแล้วเขาด่าเราเราได้บุญอีก สบายใจเวลาอยู่ยกบอันิสตานะอัลลอฮฺปก็จัดการมิเลกัสกับบันทึกบันทึกบันทึกความชั่วไทยความดี ก, กับมุลัาตนาซินาจิบันทึกความชั่วเขาบันทึกไปหมดแลว้วเราหลับแล้วเขาว่าเราเราได้บุญเราหลับแล้วเขานินทานเราก็าได้บุญอัลลอฮฺบักบักไปช่ตื่นมาหูพาจมูกแหว่งไอไอไคนนั้นที่ดูโทรทัศนต่เจ้าเขาบอกว่าไง ทำไมหน้า ม, มันอิ่มตอนนี้ก็บอกหมอก็ดูดไขมันที่สะโพกแล้วมาฉีดเข้าหน้าแต่ย้อนฉีดมันไปไม่ทันม้งไปทั่วมึงจะหมูกเลยรูนี่เล็กอันนี้รูใหญ่หมอว่าผ่าตัดไม่ได้แล้วแลวมาต้องดูดสะโพกมาใส่หน้าหรอกอยากสวยก็อ่านบัลลัอก์น้านําถูงน้ำเยอะๆว่าจะอัดน้ามี น, นั้นมากคุณเลยใช้อินไอเอ็นเราจะให้ทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ได้น้ำโดนน้ำเยอะๆหน้าจะอิน โดน น, น้ำเยอะมือจะมีเหี่ยวก็กเหี่ยวแล้วก็ใช่สิทำใหอาบ น, น้ำเหี่ยวยังงนี่ทำกัแล้วตามสภาพพระทงกระจบมาชาอัลลอฮฺทล้ไปเยอะเลยนี่นะ ต, ต้องไปชีดต้องไปีดไตังไปช่วยเหลือคนอยากจนอ่าอันนี้ดู สอช่นละหัวมันอัลลอฮดัลอาคีรอและผู้ใดปาถนาปะปวรโลกคืออาคีรอดนยาโลกแห่งการปฏิบัติอาคีรอโลกแห่งการตอบแทนแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ให้ประโยชน์ในดนยาเราพอที่จะดูแลตัวเองและสังคมรอบข้างได้อัลลอฮ์ให้ดนยาเร า, ร, า, าร่วยสกาดถึงเกณฑ์สกาดอ่อนสกาดไม่ถึงเกณฑ์สกาดเสือแล้วก็ แตลาก็จะรุดุนบาลาวัตุเวิลุลอุมโซลาก็จะปกป้องจะบาลาได้ทาให้อายุยืนอายุยืนมีสองอย่างหนึ่งอายุยืนด้วยการนับปีสองอายุยืนไม่ด้วยการนับปีโซลาก็เก่งแต่อายุสี่บห้าตายแล้วนั่นแหละอายุยืนแค่สี่สิบห้าแต่ก็ทํามีบายด้าเหมือนกับอายุเจ็ดสิบปดสิบปีงั้นมีสองอย่างนะอายุยืนด้วยการนับปีจากเจ็สิบเป็นเก้าสิบ อายุยืนแค่45ปีตายแล้วแต่ว่าอามันอิบะดาที่เขาทําอยู่เหมือนกับอายุเป็นร้อยปีหนึ่งด้วยการนับปีสองปีมันน้อยแต่ทําดีด้อิบะดาเหมือนกับอายุยืนแบบนับปีที่ขอเป็นร้อยไม่ทําอะไรเลยขอทําไมถูกสอบสวนลำบากเปล่าๆนะและผู้ใดปฎสนับวรรโลกคืออาเคโรวาชาลาฮาและขวนข่ายเพื่อมันอย่างจริงจัง วะหั ว, วมุมินุนโดยเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสวาตาลาปะสมอาเคโลอที่ดีนะทำดีแล้วก็เป็นมุมินมุมินคือคนที่เชื่อมั่นศรัทธายอมตนต่อลอทุกระบบฟาอุลาัลกาการอซายูมาสกูรอการขวนขวาของเขาจะได้รับการมาสกูรอนสุกตได้รับการชมเชยได้รับการชมเชยจากลอคืออะไร ได้รับการได้รับการต้อนรับจากอัลลอฮ์มาชูรอนนะอัลลอ์คืออะไรมักบูลันอินตะหูอัลลอ์รับการกระทำนะมาซาบันอะไรได้รับผลบุญเป็นการตอบแทนมาชูรเนี่ยได้รับการชมเชยขึ้นหนึ่งได้รับการตอบรับความดีสองอัลลอ์จะให้ผละบุญเป็นการตอบแทนงั้นขวนขวายเพื่ออัลลอ์เราต้องนึกในใจว่าทำสิ่งนี้เพื่ออัลลอ์หรือเปล่า ถ้าทําเพื่อ Allah อาจทำได้เลยนะถ้าไม่ได้ทําเพื่อ a l ะ a h อย่าเพิ่งทำจะบริจาคให้ใครจงให้คนเข้าเห็นจะได้ชื่นชมอย่าเพิ่งทาให้ใจมุ่ง ต, ต่อรอก่อนค่อยบริจาคออกไปอย่าทําเพื่อนมนุษย์ทําดีเพื่อใครใ ห, ให้เอาบุญจากคนนั้นแล้วเราเนี่ยทําดีเพื่อนมนุษย์จะเอาบุญจากมนุษย์มนุษย์มันจะมีบุญให้เราดนะ่ะเราจะไม่มีโอกาสรับบุญจากมนุษย์เลยนะอายาที่สิบเก้า สยามสกูรรอและการชมเชยนะนักคนชมเชยต่อตปคุณลันนุมิดูฮาอุไลว่าฮาอุไลมิ่งอาต้ออิรักบิกว่มาการอาตออรักบิกมหดูรอทั้งหมดเราช่วยเหลือเขาเหล่านั้นและเขาเหล่านูน้นเหล่านั้นและเหล่านุ้นคือเหล่านั้ น, แ ล, ล น, นและคนอื่นเหล่านู้น จากการประทานให้ของพระเจ้าของเจ้าและการประทานให้ของพระเจ้าของเจ้านั้นม่ได้ถูกห้ามแก่ผู้ใดอ๋อเราจะให้ใครห้ามไม่ได้นะงั้นทั้งหมดเนี้ยนะถ้าทําความชั่วกะโดนไปแต่ความดีที่อลัอลลอฮ์ได้ทรงสัส่งล้วก็ได้รับความดีใครก็ตามปฏิบัติสิ่งที่ไม่ใช่ความดีไม่ใช่อิสลามฝ่ายละยุบบาลมินหัอลัลลอฮ์ไม่ได เราคิดว่าดีแต่ไม่ใช่ดีแบบที่อรลเรสุนทรบอกดีกับอารมณ์ของเราเอรรถไม่รับงนั้นการประทานให้ของพระเจ้าของเจ้านั้นนี้ได้ถูกห้ามแก่ผู้ใดที่ฝ่ายหนึ่งปรารถนาเรื่องดุนยาและอีกฝ่ายหนึ่งปรารถนาโลกอารา์เคโลดุนยาเพื่อดุนยาก็ได้แค่ดุนยา แต่ดุลยาเพื่ออาคิีรอดุนยาก็เป็นสนามชีวิตที่เราทําความดีเพื่อกลับไปรับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสวาตัลลาเรี่ว่าดุลยาเพื่ออาคิเราอไม่ช่วยดุลยาเพื่อดุลยานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺบอกให้เราได้รับรู้ว่านฮะกลุ่มชนก่อนหน้าที่ถูกทําลายเขาโทรยศ ต, ต่ออัลลอฮฺไม่เชื่ออัลลอฮฺต่อต้างอัลลอฮฺและท้ายสุดกลุ่มชนเหล่านั้นก็ถูกอัลลอฮฺทำลายโดยสิ้นเชิงซึ่งมีประวัติศาสตร์ให้รู้นะครับมีเรื่องราวให้เห็น ที่เอารอดเล่าให้เราฟังในอันกูอา่านงั้นเราพยายามทบทวนอันกูอ่านแล้วก็พยายามทบทวนความรู้ว่าสิ่งที่เอารอดบอกนั้นได้ให้บทเรียนชีวิตแก่เราอย่างไรอ่านกูอ่นอานเนื้อสอนในสิ่ความดีแต่เนื้อจากนั้นที่เป็นบทเรียนชีวิตก็คือได้ความดีด้วยได้บัลลักัดด้ว ย, วยความบัลลักัดคืออะไรคือความดีที่เอารอดเพิ่มให้ดูเรามีรู้ตัวและเรารู้ความหมายอ่านและก็ศึกษาความหมายเราก็จะได้รับบทเรียนซึ่งโอกาสของคนยุคเราเนี่ยทำด้วยแล้วมีคนอ่านแปลไทยให้เราได้ใรนรู้อีกเยอะ ให้เรียนรู้อีกเยอ่านแล้วก็แปลอ่านเยอะแปะ น, น, นี่คือสิ่งที่อรรถบอกกับเราเพื่อเป็นข้อปฏิบัติและเป็นข้อเตือนใจที่จริงมนุษย์นะ่ยอัลลีนซางมหาหันลุมมิจฉามนุษยนะ์เป็นบุคคลที่หลงลืมเสมอเพราะฉะนั้นไอ้ความลืมนี่แหละที่เรามาเรียนกันกระตุ้นกันแล้วก็สิ่งที่มันจะอยู่กับเราตลอดคือเรียนรู้แล้วปฏิบัติเราจะไม่ลืมสิ่งที่เรารู้ถ้ารู้สมัมเนะว่าต่อนาจำไว้ได้ยินแล้วแล้วก็ตออ่ออัด ยาสเมนาได้ยินแล้วว่าว่าอสอยนาฉันกัตทรยศอย่างที่ฉันจะเป็นแล้วคุณกลับไปหาใครอินาลินละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของหรอหัวอินาอีลาฮิรอจูและเราจะปกาศข้นไปสู่พระองค์เมื่อไรรู้ไหมไม่รู้หัามาตะดีนับซุนมาลาทัศิบูรดังไม่มีชีวิตใดจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวัวามาตะตดีนับซุนเบยียไอยาดินตะมุ ล, ละไม่มีชีวิตใดจะรู้ว่าเราต้องไปตายที่ไหนไม่รู้หรอกที่นั่งมอเตอร์ไซค์อ้าว โดนชนตายไป้ที่เดินๆอยู่ลูกกระสุนใครมาถูกไม่ไมตายแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนอย่างไรแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือเราจะตายแบบไหนที่อัลลอเลี้ยงกระูุนบอกตรงนี้ต่างหาที่เป็นกำไําำรับชีวิตสวัสดีอัลลอฮว่ฮัมดกัสซาเดลละอลาอิลาัะตูบลัยซัลลอวะลิมุลมุลลอฮวะบะะ